1.12 จิตเหมือนท่อนไม้ลอยน้ำถ้าไม่ติดข้องในสิ่งเจ็ดประการจะถึงนิพพานด้วยตัวเองวงเล็บเปิด20ตุลาคม2550นาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที10และ16พฤศ จ, จิกายน2550นาในวงเล็บสองจุดจุดนาที16วงเล็บปิดพระพุทธเจ้าท่านเคยเทียบบอกจิตของเราที่สแสวงหาความหลุดพ้นนี่นะ เหมือนท่อนไม้ลอยอยู่ในแม่น้ําคงคาท่านไม่ยกว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเห็นไหมท่านยกแม่น้ําคงคาโดยท่านชี้ให้พระดูท่อนไม้ลอยน้ําท่านบอกเครื่องหมายคําพูดเปิดไม้ท่อนนี้ถ้ามันลอยไปเรื่อยๆมันไม่ไปติดฝั่งซ้ายไม่ไปติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ไปติดเกาะไม่ไปถูกมนุษย์จับไว้ไม่ไปถูกอามนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ําวนไม่จมลงไม่เน่าในผุพังเสียเอง ถึงวันหนึ่งมันจะไปสู่ทะเลปิดเครื่องหมายคำพูดเปรียบเหมือนจิตซึ่งมีสัมมาทิฐิย่อมมีแนวโน้มไปสู่นิพพานเว้นแต่จะไปติดขัดอยู่กลางทางเสียก่อนสิ่งที่พวกเราเรียนจากหลวงพ่อนั่นคือตัวสัมมาทิฐินั่นเอง จิตซึ่งมีสัมมาทิฐิรู้ทิศทางรู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอจิตมันมีสัมมาทิฐิอยู่ระดับเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะรู้ทิศทางรู้แนวทางจิต ท, ที่มีสัมมาทิฐินั่นน่ะมีแนวโน้มน้อมโน้ ม, นมโน้มเอียงลาดลุ่มไปสู่นิพพานเหมือนท่อนไม้ไหลาตามน้ำไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเกยตื้นจมลง ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่เน่าในไม่ถูกน้ําวนดูดไปไม้ท่อนนี้ต้องไปถึงทะเลจิตซึ่งมีสัมมาทิฐิจิตของเรานี่ไม่ต้องไปทําอะไรมันอย่าไปเกยอยู่ที่ไหนก็แล้วกันมันจะไหลไปสู่นิพพานเองจะไหลไปสู่มรรคผลนิพพานเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ต้องทําอะไรแต่อย่ามัวไปเกยตื้นอยู่ที่ไหนเสียละ่ะคําว่าติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาก็คือไปหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่คู่เช่นอายตนะภายในภายนอก นี่คู่หนึ่งตัวอย่างนะไปติดในความสุขหรือติดในความทุกข์ติดในความทุกข์ก็คือเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์ใจก็ยังดิ้นอีกนี่ติดสิ่งที่เป็นคู่คู่ติดความดีความเลวเจออะไรเร็เวๆแล้วทนไม่ได้ทุรนทุรายนะอยากจะให้โลกนี้ดีสวยงามอย่างเดียวจิตก็วุ่นวายติดในสิ่งที่เป็นคู่คู่ไปเกยตื้นก็คือไปติดในผลประโยชน์ทั้งหลายถ้าเป็นพระเขาเรียกไปติดลาบสการะ ติดครอบครัวโน้นติดตระกูลนี้หรือจิตลงไปสร้างภพอันใดอันหนึ่งขึ้นมาอย่างพวกนักปฏิบัติชอบไปสร้างภพนิ่งๆิ่งว่างว่า ง, างขึ้นมาแล้วติดอยู่ถูกมนุษย์จับไว้อย่างพวกเราคุณสุมเมธนี้ถูกมนุษย์จับไว้นะถูกมนุษย์เป็นร้อยๆเลยคุณสุมเมธก็ห่วงโอ๊ยมาหรือยังมาหรือยังกลัวเขาไม่ดีห่วงลูกห่วงเมียห่วงเพื่อนนี่เรียกว่าถูกมนุษย์จับไว้ ถูกอมนุษย์จับไว้เช่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นนี่คือถูกอมนุษย์จับไว้หรืออยากขึ้นสวรรค์อยากเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เรียกว่าถูกอมนุษย์จับไว้หลงชื่อเสียงอยากเป็นอาจารย์กรรมฐานชื่อดังหลงอย่างนี้เสร็จเลยนะไปนิพพานไม่ได้ถูกน้ำวนก็คือหลงในกามวันวันหนึ่งคิดแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความเพลิดเพลินทางใจถึงกา ม, มารมณ์ นี่เรียกว่ากามทั้งหมดเลยคือถ้าหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าหลงในเครื่องหมายคำพูดกามมาคุณส่วนหลงคิดถึงกามทางใจเรียกว่าหลงในเครื่องหมายคำพูดกามมาทำเช่นเราคิดเพลิดเพลินไปในกามคิดเอาเองก็เป็นกามเหมือนกันบางคนก็ชอบคิดใช่ไหมฝันฝันแม้มีความสุขคิดไปในอดีตแกหน่อยก็คิดถึงอดีตใช่ไหมเด็กๆ ก, ก็ฝันไปอนาคตนี่ก็หลงหลงไปนะ พวกเน่าในคือพวกทุศีนพวกไม่มีศีลห้าศีลห้าจำเป็นอย่าดูถูกเด็ดขาดนะศีลห้าจำเป็นที่สุดเลยถ้าขาดศีนห้าก็อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยศีนห้าจำเป็นมากแต่ถ้าทำผิดศีนไปแล้วอย่ากังวลตั้งใจระวังรักษาเอาใหม่ อย่าให้การทำบาปอากุศลที่ทำไปแล้วมากดถ่วงทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ได้สมมุติว่าเราทำผิดศีลอะไรมายังไงก็ไม่มากเท่ากับพระองค์คุริมานเคยทำใช่ไหมเราฆ่าคนไม่ได้พันคนหรอกทำไมท่านไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราผิดศีลแล้วเราก็อย่าทำอีกอย่าให้กังวลใจถ้าจิตใจเราไม่ได้ติดในสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้เจ็ดประการไปนับเอาเองก็แล้วกันเจ็ดประการนี้ถ้าเราไม่ติดนะและเรามีสัมมาทิฏฐิ เราก็มีแนวโน้มไปสู่นิพพานเรารู้แล้วว่าการปฏิบัตินี่ต้องรู้กายรู้ใจของตัวเองด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ลงปัจจุบันรู้แล้วไม่ไปแทรกแซงรู้จนเห็นความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาเป็นอนัตตารู้จนไม่ยึดถืออะไรถ้าเรารู้มีสมาธิถิอย่างนี้นะแล้วเราไม่ปิดติดเจ็ดข้อนั้นนะ่ะยังไงก็นิพพานนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็สารวจตัวเองดู เราไปติดอะไรบ้างติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาไหมไปเกยตื้นไหมไปเกยตื้นยกตัวอย่างบางคนภาวนาพวกที่ติดสมถะนั่นแหละเป็นพวกเกยตื้นวันวันหนึ่งก็ไปสร้างพบที่ละเอียดประณีดว่างๆแล้วก็เข้าไปอยู่กับความว่างเหมือนอยู่คนละโลกกันอย่างนี้เกยตื้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่ตรงนี้แหละใช้ไม่ได้ไปดูเอานะแล้วสารวจตัวเอง อาศัยการได้ฟังทำเราจึงรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยนะอย่าไปเกยตื้นอย่าติดอะไรอยู่ที่ไหนซะสำรวจตัวเองเป็นระยะ ะ, ยะการสำรวจตัวเองว่าไปติดไปข้องอะไรในเจ็ดประการนั่นไหมเขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดใจนี้ก็จะไหลไปถึงมหาสมุทรใจนี้แหละที่จะบรรลุพระนิพพานโดยตัวของตัวเอง ไม่ใช่เราไปเสือกสายไม้ท่อนนี้ให้ไปสู่มาหาสมุทรนะมันไหลไปเองจิตนี้ก็เหมือนกันถ้ามีสมาธิถี่แล้วไหลไปสู่นิพพานเองนะสิ่งที่เราทำขึ้นมาไม่ได้ช่วยให้มันไปเร็วขึ้นสิ่งที่เราทำนั่นก็คือเจ็อย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นเลิกทำอย่างอื่นเสียแล้วก็รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อย